เฉพาะต น, นโดยดังตรินตอนแม่ลูกอ่อนขี้หงุดหงิดลมชอยรอยแผ่วนานแล้วแม่ทาลูกไม่ได้กลับมากรณีเฉพาะนนตนของสงบสันติอาชีพนักอักษรศาสตร์ลักษณะงานที่ทำ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 หรือหนาทีต่อไปยังไม่สายแต่ถ้าสายก็แปลว่าคุณแบ่งเวลาไว้ไม่ดีต้องให้เป็นบทเรียนในการวางแผนกันใหม่เมื<_ <C> _><_>่อสังเกตอยู่อย่างนี้ในที่สุดคุณจะฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆ<_ <C> _>แลบพบกับภาวะของจิตที่ดีที่สุดที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิทภาพกระทั่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆโดยแทบจะไม่ต้องอ่านคู่มือเทคนิค ก, การทางานจากไหนเพิ่มเติมเลยสักเล่มเดียวครับ